ท่านนเจตนาต้องระดมให้เกิดขึ้นจริงๆไหต้องให้เกิดขึ้นมากๆถ้าไม่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ถูกความตันหนีซึ่งเป็นมวลทินทั้งหลายถูกความเครียดความวิตกกังวลทั้งหลายนะ่ยเผาแล้วก็ทําให้แปดเพื่อนนี่เป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็เป็นอัคคณีนะอัคคณีก็คือเป็นไฟไฟก็เผาเชื้อใช่ไหมเผา เอาเชือ่อเผาไม้เผาอะไรต่างๆอะไรเนี้ยอันนี้เป็นอคติมีเลยนะทานาเจตนาเขาเผาความตันีแล้วตอนนี้กิเลสเกิดไหมเกิดไม่เกิ ด, กดตอนนี้ความกําหนัดเกิดไหมขัดเคืองไหมทีนามิทะสุดไหมศรัทธาตกลงมาไหมเห็นไถ้ามันตกลงมาแสดงว่านั้นมันถูกเผาอะไรถูกเผา กิเลสมาเผามันไม่ใช่ว่าตัวเจตนาทานถ้าเจตนาทานแข็งแรงนี่มันตั้งมันมั่งแต่วันแรกแล้วเพราะมันเก็บมาตลอดใช่ไหมกุศลธรรมเหล่านี้มันจะแข็งแกร่งขึ้นมาเรืเ่อ ย, ย, ย, ย, ยๆแข็งแกร่งตื่นเต้นลองทําให้เป็นดิลองฝึกให้เป็นดิทานะเจตนานนี้เป็นไปกุศลเนี่ยถ้าแข็งแกร่งมาเนี่ยมีกําลังเ่ยพอมีกําลังมันก็ชนะบาปได้มันก็เป็นอัตินีเลยเผาทําที่เป็นมวลทินเผาความตะหนีเกลี้ยงเลย ตอนนี้ความตนีถูกเผาหรื อ, อยังยังไม่ถูกเผาอยู่ไหมโลภะถูกเผาหรื อ, อยังยึดติดสิ่งของต่า ง, างๆโทสะถูกเผ า, า, าหรือยังโมหะถูกเผาหรือยังมานะถูกเผาหรื อ, อยังเป็นต้นใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปก็วัดกันว่าถูกเผาหรือไม่ถูกเผาไม่ใช่ว่าความตนีมาครอบงำอยู่ในแล้วไม่ถูกเผาสัทีเลยเป็นอสกรพิษนะคำว่าทานเจตานานี่เป็นเป็นอสกรพิษที่ความตนีไม่กล้าเข้าใกล้ ความตันีไม่กล้าเข้าใกล้อล้วตอนนี้ความตันีอ่ะความยึดติดยังกล้าเข้าใกล้ใจเราอยู่ไหมกล้าไม่กล้าแสดงว่ายังไม่เป็นอสารพิษนฐานทนเจตนาต้องเป็นอสรพิษตีแปลความตัหนีพอความตันีเห็นมันกลัวหงอเลยเราเห็นงูเห่าแล้วกลัวไหมกลัวตัวเล็กๆยังกลัวเลยอ่ะชั้นใดนั้นในความตันีทั้งหลายไม่กล้าเข้าเจตนาเข้าใกล้เจตนาทานหรอกไม่ฆ้าไม่กล้าเข้าใกล้อโลพาทานหร ไม่กล้าเข้าใกล้วัตถุทานหรอกไม่กล้าเอาจะสลาเนี่ยมันกล้าแล้วใจมันเด็ดขาดใช่ไหมศรัทธาทานก็เข้าใจแล้วให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยเชื่อกรรมและผลของกมชัดเจนเลยใช่ไหมสักกัจจทานก็ชัดเจนให้ด้วยความนอบน้อมนอบนอบ้นอมให้ด้วยความเคารพการลทานให้ถูกการด้วยเนี่ย อของมาถวายพระเจ้ารู้ด้วยนะว่าอะไรควรถวายช่วงนี้อรู้ด้วยเนี่ยเ น, นควรจะถวายพระเจ้าอย่างไรนี่เป็นการลทานด้วยแล้วเป็นอะไรอะ่ะอนุขหิทาทานให้แบบให้แบบสละให้แบบเด็ดขาดเลยให้ไม่หวงเลยนะให้จริงๆให้ไดน้น้อมน้อมให้ด้ศรัทธาให้ได้สละขาดเด็ดดวงใจยื่นให้ แล้วไม่เคยบอกว่าให้เราคิดว่าเออเขาจะได้ยกย่องเราไห่ไหมไหมไห ม, ไ ม, ไมให้เพื่อเห็นทานเป็นการดีให้ว่าเป็นกุศลให้เพื่อจะเป็นอารมณ์แห่งการเอามายึดโยงในการ ม, ามองมวิจัยว่าพิจารณานี่พูดนานพูดบ่อยทีย่สนดจะเป็นเรื่องทานเนี่ยเี่ยพระศาสดาก็สอนอนณาถาอย่างเงี้ยสอนเรื่องทานในกระถาสอนทําไมปรับปรับวิธีคิดให้จิตอ่อนโยนถ้าคนคิดไม่เป็นคิดทานกุศลจะอ่อนโยนก็หาศีลได้ไหม ไม่ได้ก็ไม่กล้าที่จะรักษาศีนอยู่เดียพูดทานกันมาตั้งนานแล้วศีนมันขึ้นมาไหมเนี่ยมันไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าทานในกุศลไม่แข็งแรงแล้วอย่าไปคิดว่าเราให้ทานเยอะนะถ้าไม่พัฒนาอยากทานขึ้นสู่ระดับศีนได้เมื่อไหร่มันก็ยังต่ําต้อยอยู่นั่นแหละเข้ยาใจยังมันก็ยังตับต้อยอยู่นั่นแหละทานต้องเป็นตัวขับเน้นนะ ขัดเร่าจิตใจกล่อมเกลาจิตขึ้นมาจนพัฒนาเขาสู่กุศลศีลได้อย่างนี้เขาเรียกว่าทานน่ะแข็งแรงแล้วเป็นราชสีเพราะไม่สะดุ้งกลัวราชสีจะกลัวสัตว์อื่นไหมทานเจตนาจะกลัวความตนหนีไหมกลัวโลภะไหมกลัวโทสะไหมกลัวโมหะไม่กลัวหรอกก็เรามีทานเจตนาเรามีกองทัพทานกุศลไม่กลัวอะไรแล้วไม่มีแล้วก็น้อมจิตให้ ถ้ามีเราก็ให้วัตถุถ้าไม่มีเราก็น้อมจิตสละให้เมื่อแค่นี้ก็พัฒนาวิธีคิดให้ถูกทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือเพื่อต้องการดึงความไม่โลภดึงความไม่โกรธแล้วก็ดึงปัญญาออกมาใช้งานให้ได้พอจะมองเห็นอรือยังเดีเนี้ทั้งนี้ก็ชัดเจนนะเป้าหมายจริงๆก็คือว่าดึงนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่เป็นไปฝักฝ่ายกับบุญกุศลทั้งหลายให้ออกมาทำงานแทนไอ้ความยึดติดทั้งหลายลย นี่ก็แข็งแรงชัดมองอะไรถ้าไม่มีวัตถุแล้วน้อมนํามาทําแต่ไม่ใช่มีวัตถุเอน้อมนํามาทําน้อมไม่ค่อยขึ้นหรอกเป็นเงื่อนไขอย่างนั้นมันต้องฉลาดจะให้กิเลสครอบงําเราอีกเนียโอ้ยเราไม่ต้องสละเราเป็นแล้วนี่แล้วก็จิตน้อมบูชาไปเจออะไรกันน้อมบูชาทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่มีของไม่ได้ลองเโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องของ้เราน้อมใจได้ที่เป็นจำนวนก็โดนกิเลสหลอกต้องระวังนะ ถ้ามีของก็สละของถ้าไม่มีก็น้อมเขียนอะไรก็น้อมเพื่อไม่ยึดติดมาบูชาได้เยอะเลย น, นะนี่ต้องเป็นอึ่งนั้นด้วยเป็นราชสีไม่กลัวหรอกเป็นช้างเพราะทรงพลังทรงพละงกำลังมากเป็นช้างฉัดทันมีกำลังมากมีกำลังขนาดไหนขนาดจะราคะไม่กล้าเลยหงอเลยตอนนี้เราหงอกราคาเนะี่ยตอนนี้ พอราคาความกำนัดความยินดีความเพลิดเพลินมาโอ้ยรับใช้ก็แล้วปบปบไปแลแห อ, อ, อ, อยากให้เราแต่งหน้าแต่งหน่อยแต่งหน่อยเนี่ยขอไปเนีก็อยากให้เราทําอะไรก็ทําน้อยทําน้อยแล้วก็ถูกเขาครอบเงินแต่ถ้าหากว่าทานเจตนาเป็นช้างพยาช้างฉัดรทันเมื่อไหร่นะปบขึ้นมาเนี่ยพอเขาบอกว่าเอ้ยชิมอันนี้หน่อยที่อร่อยนะอร่อยนะไม่เล้วถ้าจะชิมขอพิจารณาก่อนเอาไหมล่ะชิมได้พิจารณาก่อนว่า พิจารณาเพื่ออะไรสุขภาพเราเ อ, อตัวนี้เราต้องบริโภคอาหารเพื่อเป็นปัจจัยการหล่อเลี้ยงกระแสของรูปประคันเพื่อทํานามะขันให้แข็งแรงนี่ชัดเลยใช่ไหมไม่ได้เป็นไปเพื่อความอรรถอร่อยเกิดกําลังพลังทางกายเลยมาที่อะไรก็สามารถคิดได้ออกวิจัยได้หมดเพราะอะไรเพราะเข้าใจเพราะเข้าใจเใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกเป็นช้างที่ทรงพลังลไม่กลัว ไม่กลัวอะไรแต่ตายยังไม่กลัวเลยเห็น ไ, ไหมนี่เขาเรียกว่ากําลังแข็นแกร่งมากงั้นอย่าแปลกใจเลยคนวิจัยจนสา ม, มารถควักตาถวายได้ได้จริงๆแต่เพ อ, เอาะเออเรายัางไม่ไม่กล้าวิจัยกันนะอันนี้ชั้นทานเนะี่ยชั้นทานกุศลเนี่ยใครควรแล้วบรรลุได้หรือไม่ได้เห็นไหมเรื่องเห็นช่องทางไหยว่าทานกุศลเนี่ยใครควรแล้วบรรลุได้จริงจอย่างท่านว่าด้วย เพราะมันไข่ควรถึงขีดสุดไม่ใช่ไข่ควรแบบไร้สาระเดิๆเลยเป็นปยาโคเผือกเป็นมงคลด้วยเนะเป็นช้างเวลาหด้วยพาไปในถิ่นเกษมได้ช้างเวลา6นี่ยเขาเรียกว่าเขาสามารถเหาะไปได้ไปสถานที่ปลอดโปร่งโล่งเบาได้ทานาเจตนานี่ก็เป็นช้างเวลา6กก็ยมพาไปถึงแดนเกษมคือพันิพานได้ในเจตนาทานเนี่ยเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่พนันธิพานได้ เป็นปัจจัยในการพ้นจากวัฏทุก์ได้แต่การว่าจะเป็นช้างเวลาหได้จะนำาไปสู่แดนกเกษมได้เนี่ยไม่ใช่ว่าให้แล้วจบแค่นี้จะเป็นได้ไหมไม่ได้มีกำลังช้างเวลาหกนี่ยามีกำลังพอจะมองเห็นอย่างนยทานพระองค์ก็สอนทานขึ้นชื่อว่าทานนี้เป็นหนทางที่เราดำเนินมาแล้วขึ้นชื่อว่าทานนี้เป็นวงของเรา เราเบำเพ็ญบารมี30ทา่านบูชามหาย y นมากมายนะมหายา a n a ครั้งเป็นเวลามาพาม m a h า y a n ทั้งเมื่อเป็นพระเจ้ามหาโควินดพราหมายานครั้งที่เป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะ mahayana นในครั้งที่เป็นพระเจ้าวเวสสันดรนเราเกิดเป็นกต่ายยอมมอบตนในกองไฟที่ลุกโชนเอาใจนะกู้ขอที่มาถึงแล้วโดยแท้จริงแล้วทานย่อมให้สมบัติเท้า ส, สักกะสมบัติมาราสมบัติพรมสมบัติจักกะพั ส, สมบัติในมาเจทานบารมีนะ สาวกบ ร, รมญาณปเจกโพธิยานอภิสัมมาสัมโพธิยาณในโลกทานาเจตนานี้เป็นปัจจัยแก่การที่จะได้สิ่งเหล่านี้โอ้โหชัดไหมเนี่ยทานาเจตนาเนี่ยนี่ไงถ้าให้เป็นแล้วเนี่ยถ้าให้เป็นแล้วเนี่ยเราจะได้ปรารถนาอะไรก็ได้คอยให้ให้เป็นนถิดพอจะมองเห็นหรือยังตอนเนี้ยเขาให้เป็นเขาให้ถูก แล้วเขามีการวิจัยในการที่จะให้ได้อย่างเนี่ยลงงานทานวัตถุทานตั้งอยู่ตัวหน้าเนี่ยบางคนทาเจทานาเจตนาไม่ออกจะทำยัยงไงคิดไม่ออกลยแล้วใช่ไหมมองเห็นก็เท่น้น้อมสีเป็นทานน้อมเสียงเป็นทานน้อมกลิ่นเป็นทาม น, น้อมรสน้อมสัมผัสน้อมทรมารมเป็นทานใช่ไหม ฉะนั้นถึงบอกเรามาแบบนี้ยเรามาแบบเพื่อได้ข้อมูลเนี่ยมันชัดแล้วต่อไปเนี่ยนะแยกย้ายกันไปทุกคนไปนั่งอยู่คนเดียวแล้ววิจัยได้คิดได้ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องใสอ่อาศัยพระช่วยนําคิดก็จะคิดไั้ออกไม่รู้โยมไม่คิดได้อย่างไรเนีถ้ากรณีอย่างเนี้เริ่มคิดเป็นอะไรเป็นมื่อเกิดจากการการไข้ควรเป็นแท้ๆเลยเห็นไหมถ้าไข้ควรเป็นวิจัยเป็นนอบน้อมเป็นนะ ชัดเลยตรงนี้เนี่ยถึงพุทธเจ้าถึงว่าเป็นวงของเราเราเป็นวงของพระศ า, าสดาไหยเราอยู่ในเราเป็นลูกของพุทธเจ้าไหมอ้าวก็เป็นพ่อทําแบบนี้ไว้พ่อจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วพ่อก็ทิ้งสมบัติไว้เยอะแยะทิ้งทานไว้ทานทานาเจตนาไว้เยอะแยะวิธีการพ่อก็ทําไว้เป็นเสร็จหมดแล้วพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวงของเราก็เดินตามวงซิ เดินตามอริยวงเดินตามวงพุทธิย่อพุทธิ้าให้เราทํำยังไงในฐานะเป็นอุบาสกบูบาสิกาก็ทําตามท่านอย่าไปขัดแย้งต่อท่านอย่าไปฝืนท่านฝืนใครก็ฝืนไปเถอะแต่อย่าไปฝืนพระพุทธย่้านะอย่าไปฝืนท่านการฝืนท่านเนี่ยลังแต่จะสวิบัติไม่ได้ดีสักคนเราที่ผ่านมาในสังสารวัฏเพราะเราฝืนพ่อไง เราไม่เชื่อพ่อเราไม่ทําตามคําสั่งของพ่อไงใช่ไหมพ่อในที่นี้คือพระเจ้าเนะียไม่ใช่คนอื่นนะเดี๋ยวก็มาลักพ่อลักพ่อกันแล้วักไม่ถูกกันแะน่ <c oughs> พ่อจริงๆริงคือพระเจ้านอกนั้นพ่อสมมุติเข้าใจปะ่ะ <c oughs> นั้นต้องชัดเจน <c oughs> พระเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นพ่อเป็นบรมครูนั้นเดินตามท่านแี่ยท่านไม่พาเราลงอาบายทุกติวิธิบนะัตินโลกหรอกพระบรมศาสดาเนี่เป็นบรมครูเป็นบรมพ่อจริงๆรลงเลย เป็นพ่อยิ่งกว่าพ่อเป็นครูยิ่งกว่าครูพ่อเราก็คือพระศาษษษสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าอย่างนี้ชัดเลยงั้นเราต้องยกย่องพระพุทธเจ้าพอจะมองเห็นหรือยังตอนนี้เป็นวงของเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อตรัสเรื่องทานนะกุศลว่าเห็นไหมว่ามนุษย์สมบัติสักกะสมบัติมาละสมบัติพรมละสมบัติ แล้วก็บอกว่าอะไรจักระพัสสมบัติสาวกบา ร, รมีญาณปจเจกพริยญาณอภิสามมาสามโพธิญาณในโลกใช่ทานนะกุศลทานทานบา ร, รมีไหมทานบา ร, รมีนั่นเองเป็นปัจจัยใบการได้สมบัติเหล่านี้ทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าตัดเรื่องศีลต่อจากทานไหมต่อหรือไม่ต่อตัดเรื่องศีลผู้ให้ทานมักจะรักษาศีลได้เนื่องจากอะไร ทานเป็นการสละสมบัติของตนแก่บุคคลอื่นใช่ไหมอันนี้เป็นสมบัติของเราแก่บุคคลอื่นก็ทานยังกล้าสละได้แล้วยังกล้าสละได้เลยทําขนาดนั้นใครมาก็มาม า, มาบอกสละทิ้งหมดเลยก็เรารู้ว่ามันได้บุญก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพื่อทีเจ้าถึงบอกว่าให้เห็นคุณของพระศาสดาหเห็นโทษของสังสารวัฏได้เห็นโทษ เขาไม่รู้จะสวดมนต์ยังไงไม่รู้จะบูชาพระพุทธเจ้ายังไงเพราะโมหะเขาแรงมากๆแรงอย่างเหลือเกินเนี่ยทีนี้ผู้ให้ทานก็มาัากจะรักษาศีลได้เนื่องจากทานเป็นการสระสมบัติของตนให้กับบุคคลอื่นโดยประสงค์จะมาเป็นประโยชน์หรือบูชาบุคคลผู้ควรบูชาบูชาจะบูชาเนียดังนบูชาบุคคลที่ควรบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรบูชา พระสารดสาวกทั้งหลายเป็นบุคคลที่ควรบูชาในวัดเชตวันนี่พระศาสดาประทับ19บเกภาษาใช่ไหมแล้วก็พูดกันยัง19บเกภาษาใน19บเกาภาษาพระศาสดาสอนเรื่องอะไรบ้างในตรงนี้ต้องมานั่งวิจัยกันเยอะเลยเนี่ยในสูตรนี้พุทธเจ้ากําลังสอนอยู่ในในรักษอะไรเงี้ยอามาก็เลยมาสอนถ้ามาจะไล่ไปตามสูตรในพวกเรานี่ไม่เข้าใจเลยนะมาเลยก็ต้องพูดอธิบายขยายลงลึกเรายละเอียดแบบนี้ ถ้าลองเอามาพูดดูทีทานนกถาศีรักถาสักขาคถากามาทีนวกักถาเนคคำมณีสังสกถ า, าสรุปลงในสามุกังสิกาเทศนาคือทุกสมุทยัยนิโรธมกักพอแสดงจบเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนาถาพินิกศกษิตีได้ดวงตาเห็นถามว่ายังกินจิตสมุทยาธรรมังสัพพันตังนโรธรนิโรธธรรมมณีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งบวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเพราะมาไล่ไปตามเหล่านี้ก็าโอ้โหฟังไม่ทันแล้วใช่ไม่ใช่ มาก็เลยต้องพูดแจ้งค่อยๆขยบขยับขยับไปเนี่ยอยากให้โยมที่ไม่ค่อยมีข้อมูลมากฟังได้เข้าใจเป้าหมายคืออย่างนั้นจะได้เข้าใจโอ้เป็นอย่างนี้เองทานนะเจตนะอย่างนี้การถวายทานกับการบูชาเป็นสิ่งเดียวกันไหมใช่สิ่งเดียวกันไหมเนี่ยสิ่งเดียวกันหรือเปล่าหรือคนละอย่างอย่างเดียวกันเนาะ บูชากับถวายทานก็ันเดียวกันนั่นแหละอแล้วถวายอย่างนี้พระศ า, าสดาไม่ยื่นมือบรรลับเลยแล้วจะเห็นได้ยังไงอะยอมเห็นไหมเห็นพระศ า, าสดายื่นมือบรรลับไหมเห็นไหมปาไม่เห็นแล้วจะจะถึงไหมเนี่ยฮะถ้ไปวางไว้ไม่รู้ใครก็ไม่รู้เอาไปหมดเลยทุกทีใช่หไหมคนเฝ้าคว้าไปหมดเลยเนี่ยแล้วไหนตรงไหนบุญเกิดยังไง ใจน้อมสละถวายชื่อว่าถวายพระศ า, าสดาแล้วชื่อว่าถวายพระรัตนตรัยแล้วพรธรัตนธรรม ร, รัตนสังฆรัตนแล้วฉะนั้นถ้าเรามาแบบไม่ต้องเก็บข้อมูลก็ได้นะมาถึงกับบูชากันไปนเสร็จก็กลับบูชากันก็เสร็จก็กลับไม่มีอะไรหรอกแต่กลับไปได้เท่าเดิมคือได้ความไม่เข้าใจความไม่รู้เรื่องได้ความมืดบอดของความคิดกลับไปอีกเอามาไม่ต้องการอย่างนั้นหรอก กลับไปก็ไม่ได้อะไรเพียงเอาบุญมาฝากนะเอาบุญมาฝากโทรกับฮลัลโหลเอาบุญมาฝากนะไม่ได้บุญเยอะเลยสาธุสาธุสาธุาธโกรธตามเดิมแล้วเป็นคนตนีอย่างเดิมไม่ได้พัฒนาอะไรเลยความคิดก่อนเหมือนเดิมเดิมเดิมทุกอย่างแล้วมันอะไรเนี่ยพอจะเข้าใจอย่างแต่นเนี้ยมันไม่ใช่ มันเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเรื่องการขัดเกลาเรื่องการคิดการวิจัยเดี๋ที่ข้อมูลแล้วเข้าใจชัดแล้วไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้เนเริ่มเข้าใจแล้วโอ้เป็นอย่างนี้เองฉะนั้นจึงต้องมาเก็บข้อมูลนะที่ตรงนี้ตามที่เรานั่งกันอยู่นี่พระละหันนั่งกันเต็มไหมเนี่ยเรานั่งกันอยู่เนี่ยเป็นรอยเท้าของพระละหันเหยียบย่ำกันเต็มไปหมดไม่มีภิกษุรูปไหนที่ไม่เคยมาที่ท้แท้จะตรงนี้เลยมากันเยอะมากถามว่าภาษาลิบุตรมาตรงนี้ไหม พระโมคคานามาไหมโอ้มาหมดเลยพ้ามรรสทรงก็มาสถานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นสถานที่ที่วพระอรหันต์ทั้งหลายมาจากเจตุรทิดเนี่ยเดินทางรอมแล้วพระพเจ้าเฝ้าที่ไหนเขาก็ไปเฝ้าพระศาสดากันที่นั่นแหละก็ขนาดเรายังมาเพื่อจะมาเฝ้าพระศาสดาใช่ไหมพอมาถึงเบสเสร็จใครเห็นพระศาสดาหรือยังเห็นหรือยังเห็นโดยจักษุเนื้อหรือเห็นโดยโดยปัญญาจักษุ เห็นโดยปัญญาเห็นภาษาสดาโดยฐานะตอนนี helmet, ้ภาษาสดานั้นน่ะเปลี่ยนจากอิฐเปลี่ยนจากดินเปลี่ยนจากหินเปลี่ยนจากปูนเปลี нолог, ่ยนจากซากปราการหักพังเป็นพระธรรมวินัยไงภาษาสดาอยู่ในฐานะของพระธรรมพอจะมองเห็นหรือยังตอนนี้จากสุยาณปัญญาพอจะเกิดขึ้นบ้างหรือยังแบบโลกยะปัญญาเนี่ยเห็นภาษาสดาในฐานะของพระธรรม พระศาสดาไม่ได้อยู่ในฐานะของความเป็นรู ป, ปากายแล้วนามธรรมาทั้งหลายที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้อยู่ในฐานะนั้นแต่พระศาสดาอยู่ในฐานะเป็นพระธรรมพระธรรมวินัยจักเป็นศาสดาสถานที่ตรงนี้ได้กล่าวไว้แล้วใช่ไหมเป็นสถานที่ที่อนาถาพินที่กาเสถีท่านสร้างฐานาเจตน า, าไว้ใช่ไหมที่กล่าวค่อยแล้วเนี่ยอนาถาพินที่กาเสถีเนี่ยสร้าง ถามว่าหนึ่งในสมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเศรษฐีชื่อว่าปูณัพระสุมิตะก็ซื้อที่ดินปูราดด้วยตาด้อิดทองคำใช่ไหมที่ตรงเนี้ยพุทธเจ้าในดีเนี่ยปูทองคําถวายมาเออไม่ใช่พุทธเจ้านี่ยเศรษฐีที่เกิดคู่บุญบา ร, รมีพระบรมศ า, ศ า, ศาสดาในยุคนูน้นในยุคพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าสร้างวัดแห่งนี้เป็นเนื้อที่เท่าไหร่จําได้ไหม หนึ 1> 1่งยอด16กกิโลอ่ะนี่ปู ด, ด้วยอิดทองคำเอาอิดทองคำปูลาดเนี่ยอันนี้พระเจ้าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมาสมัยพระสิกขีสัมมาสัมพุทธเจ้าสิริวัฒนาเศรษฐีก็ปูลาดได้ผ่านทองคำเท่าไหร่กึ่งยอดกึ่งยอดกีกิโล8กิโลอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมาสมัยเวสภูพทธเจ้าเนี่ยโสธยะเศรษฐี ปูราดด้วยรอยเท้าช้างทองคำเนี่ยที่เดียวกันหมดเลยอ่ะก็ปูราสร้างวัดเชตาวันตรงนี้แหละพอมาสมัยพระ ก, กัคกุสันท่าพระพุทธเจ้าอ จ, จุนตาเศรษฐีก็ปูราดด้วยอิฐทองคอําอีกเหมือนกันก็วัดเชตาวันตรงนี้แหละสร้างถวายพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พอมาสมัยพระ ก, กัสป่าสัมมาสมัมพุทธเจ้าสุมงคระเศรษฐีก็ปูราดด้วยไม้เท้าทองคํา นี่ก็ถวายตรงนี้พอมาสมัยออพระกัสสปะสมาสมุทรเจ้าดังที่ได้กล่าวสุมังคลานี่ปูราดพอสมัยพทธเจ้าของเราปัจจุบันนี้ก็อนาถาพินิกาเศรษฐีก็ใช้ทรัพย์ปู18โกดกหาปณะเป็นโกดโกดเลยสิโกดปูราาเลยปูจนพระเจ้าเชิดตกใจเลยที่แรกไปลั่นวาจาออกไปเนี่ยพอบอกจะซื้อที่ถวายพระาศาสดา อามันก็ปูให้เต็มพื้นที่สิไปหลุดไปอย่างเงี้ยนะพอจะซื้อจริงบอกไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ขายเนะี่ยไม่ขายมีพระเขาไปเล่าไปเล่าแล้วไปตําหนิตพระเจ้าเชเสธเนี่ยเนี่ยไม่อ่านคำสอนให้ดีไม่ศึกษาให้ดีไปตําหนิว่าพระเจ้าเชเสธท่านถึงบอกว่าเชตาวนีอนาถาปินทิกาสาอาราเมเนี่ยคือที่วัดแห่งเนี้มีเจ้าของสองคนคนแรกคือเจ้าเทศสธคนที่สองคือ อนาถาปิณิกะเพื่อให้เราชาวพุทธนั้นเอาทั้งทั้งสองเป็นแบบอย่างเ ว, เวลาทำบุญเจ้าเชษเลยบอกที่ตรงนี้ไม่ขายนะที่ซุ้มเลแล้วก็สร้างหลายแห่งนะเนี่ยดูดีพระท่านทำเอกสารมานีด่ดสร้างโอ้เนี่ยเนี่นนยนยสร้างถวายอะไรบ้างนะเจ้าเชษ์นะ ราชกุมารสั่งให้สร้างซุ้มประตูในที่ว่างนั้นพร้อมได้วิหารด้วยนะในชั้นของดีกาขยายเป็นวิหารด้วยส่วนอนาถาปินิกาเสถียรเออเอต้นไม้ด้วยนะต้นไม้ทุกต้นในบริเวณนี้เจ้าเชษไม่ได้ขายนะถวายเป็นพุทธบูชาราคาอีกหลายโกดชั้นเฉพาะต้นไม้ราคาหลายโกรดมากเจ้าเชษบอกไม่ขายต้นไม้ และพื้นที่ตรงซุ้มประตูด้วยแล้วก็วิหารและเงิน18โกดทั้งหมดเนีเจ้าเชตเอาสร้างหมดเลยนะบเมเสร็จก็ต่อมาก็นาถพิณิกาเศรษฐีก็สร้างวิหารหลายหลังไว้ในเชตาวันสร้างบริเวณสร้างซุ้มประตูสร้างสลาหอฉันสร้างโรงไฟสร้างกัปปิยะกูดีสร้างเวชกูดีจงกรมสถานที่จงกรมก็สร้างนะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีโยมสร้างสถานที่เดินจงกรมให้กับพระเนี่ ในวัดต่างๆสร้างตะกุติแล้วไม่สร้างที่จงก g g o m ไม่หรอกไม่เหมือนสมัยก่อนเขาจะสร้างสมมีสถานที่เดิน j งก g มเมืองพระปฏิบัตินี่ที่จงก g มสร้างบ่อน้ําสร้างสลาบ่อน้ําสร้างเรือนไฟสร้างสลาเรือนไฟสร้างสะโบกกรณีสร้างมนตดบเนี่ยบริเวณเราดูๆแต่ไม่รู้ตรงไหนบ้างเนี่ยนะมองไม่ออกแล้วแต่เนี่ยเห็นเต็มพื้นที่ไปหมดเนี่ยแปลว่าสร้างขั้นพระบรมศาสดาประทับอยู่ในกรุครกรุงเทือกตามแล้ว เลยตรงนี้ก็คือว่าอนณาถาบิณได้กาศธีซื้อที่ดินได้ซับบแปโกรสร้างพระวิหารอีกสิโกรเมื่อพระวิหารเสร็จแล้วให้ทานตามต้องการแก่บริษัททั้ง4นะในเวลาก่อนอาหารแล้วกับหลังอาหารก็ทําการฉลองวิหารโดรยซัาอีกสิโกร38เท่าไหรแล้วเนี่ยห้โกรแล้วนืการฉลองพระวิหารทั้งสิ้นใช้เวลา9เดือนสลาซับไปห้าสโกรธน้ฉลองอยู่9เดือน งานฉลองไม่ได้มีหนังมีละครมีดนตรีนะก็คือกิจกรรมการทําบุญเท่านั้นเองเป็นกิจกรรมการทําบุญหมดเลย9เดือนยอ้อนสวรรค์ฉลอง9เดือนอาการอย่างนี้ทำทานเป็นเห็นปานนี้ในเรือนของตนตลอดการเป็นต้นนะเป็นนิดเลยสลากาพัฒนี่นะห้าร้อยที่ทําทุกวันเนี่ยนะึง ปา ก, กีพัดด้วยมีสลักยาคูเป็นต้นด้วยแล้วก็มีทุ่วพัดด้วยแล้วก็มีสลากพัสดสาหรับภิกษุอาคันตุกะภิกษุที่เตรียมทางจะเดินทางภิกษุไขภิกษุดูแลภิกษุไขต่างๆนะีอย่างละ500500 500นี่นะปูไว้ประจําเป็นนิดในเรือนเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นนะ่ยในการต่อมาพระาศาสดาก็ประทับนั่งในเชตาวันเมื่อทรงสถาปนาอุบาสกทั้งหลายในตําแหน่งต่างๆตามลําดับจึงทรงสถาปนาไว้ในตําแหน่งเอเตทะคะ เป็นเลิศ ก, กว่าอุบาสกทั้งหลายผู้ถวายทานใช่ไหมท่านจึงเป็นเลิศ ก, กว่าอุบาสกทุกท่านเลยในบรรดาอุบาสกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะั้นอ น, น, นาถาพินิการเศรษฐีจึงเป็นหนึ่งไป ย, ายาังนางทีนี้ใครอยากจะเป็นอุบาสกเป็นคนแรกก็ตั้งสร้างบารมีเอาเองนะเดี๋ยวดูอุบาสิกาเนะี <c oughs> อุบาสิกาเดี๋ยวไปดูนางวิสาขานี่อุบาสกนั่งไม่หลายไม่กี่คนนี่ เอห้าคนไม่รู้ใครหกเลยเจ็ดคนเลยเจ็ด น, น, นะไม่รู้ใครจะคว้าตำแหน่งในอนาคตเนี่ยไม่แน่คงไม่ใช่ยอมเหลียงนะไม่ใช <c oughs> <c oughs> งั้นเพราะถางั้นอออกมาตกใจเลยเยนีตกใจเลย <c oughs> นี่ก็คือว่าถ้าต้องการปรารถนา <c oughs> ท่านศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วมีวิธีการทำเ <c oughs> นะี่ย ขับเน้นเจตนาให้แข็งแรงนะแล้ววัตถุทานก็จะค่อยๆไหลมาแล้วท่านจะให้ทานได้ยังไม่อิ่มน้ํำซ้ำแล้วให้อย่างไม่หมดไม่สิ้นให้เมื่อไหร่มันก็จะมาเยอะเยอะเยอยอนี่มันจะเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนวิทย์น้ําออกจากบอ่อหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวฝนตกมาก็เต็มบอ่ออีกเต็มบ่ออีกนาเข้าน้าเข้าพื้นที่โดยรอบก็เขียวชอุ่มไปบนเนะนาเข้าจะทําโลกใบนี้ทั้งใบให้ร่มเย็นก็ได้ เพ ร, ะระาะบรมศาสดาวเวลาแสดงทานนักขาให้กับอนาถาอนาถาชอบใจมากมากเลยเพราะอัธยาศัยท่านบำเพ็ญทานบารมีอนาถาปินิการนี้เป็นคนชอบฟังเรื่องทานนักถามากสังเกต ด, ดูจากขนาดถึงเวลาที่ท่านจะตายนี่นะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่ท่านจะตายท่านมีเวลานี่เนะีจะเล่าในเรื่องของอนาถาปินที่โกวาทสูตรพอดีท่านจันจิระท่านเอามาบอกว่า ช, วช่วยดึงสูตรนี่ม า, าไว้หน่อยมีเวลาจะขยายตอนที่ท่านตายอะ่ะยังตายเคยฟังตอนอ น, อนาถาปินิการเสด็จถีตายยัง ไม่เคยฟังเลยไม่นำทัวร์มาตั้งเยอะแยะเลยเห็นไหมเนี่ยต้องจําข้อมูลก็ไว้ได้เป็นเล่าใช่ไหมไม่ใช่แค่เล่าอย่างเดียวจะได้รู้ซึ้งถึงคุณของอนาถาปิณิกาเสรอธีทุกอนุ่แต่ละก้าวแต่ละก้าวที่เราเหยียบเข้ามาเนี่ยให้นึกยังไงรู้ไหมบนแผ่นเงินแผ่นทองที่ท่านปูซื้อแต่ละก้าวเนี่ยเราเหยียบบนบนเจตนาทานของท่านบนวัตถุทานของท่านให้เข้าใจอย่างเนี้ยเจตนาทานของท่านทุกทุกอนุทุกเม็ด ของความคิดเลยนะเนี่ยแล้วก็วัตถุทานของท่านปูเต็มพื้นแผ่นดินไปหมดเลยเนี่ยนี่เรามานั่งตรงนี้โมโนทนากับท่านหน่อยดีไหมอาสาธุหน่อยฮะเออเห็นไมเนี่ยตอนนี้ท่านอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมตอนนี้ท่านตายไปใหม่ท่านมาเฝ้าพุทธเจ้าวันแรกเลยนะโอ้โหสว่างรุ่งเรืองเชตวันเลย มาเบสเสรก็ชื่นชมแหมเชตวันมหาวิหารเป็นอารามที่น่ารื่นรมมากภิกษุสงฆ์มาจากจัตรุรทิศใช้สถานที่หนไม่น่าปลื้มใจเหลือเกินเลยนะท่านมาภาวนาผลบุญของท่านเบสเสรแล้ท่านก็บอกว่าขอนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมขอนอบน้อมภริยาสงศ์โดยเฉพาะภาษาริบุตรเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญากว้างกวางเป็นด้วยเ น, นชื่นชมเบสเสร็จทำประทักษิณพระบรมศาสดาแล้วก็กลับไป พระศาสดาก็ประชุมสงฆ์เลยว่าเมื่อคืนนี้เธอรู้ไหมเชตวันมหาวิหารสว่างสวยรุ่งเรืองไปหมดเลยบอกว่าเห็นพระเจ้าค่ะนั่นแหละเจ้าของเก่าเขามามาบูชาบุญของเขาเนี่ยนะแล้วก็มาชื่นชมภาษาริบุตรคนที่รักศรัทธาภาษาริบุตรมากอีกท่านหนึ่งคืออนาถาปิณฑิกาเสรษฐีศรัทธามากเพราะภาษาริบุตรไปเทศกันสุดท้ายแล้วตายฟังกันสุดท้ายแล้วตาย เพราะไม่ฟังฟังทำการสุดท้ายนาถาปินตกาเศรษฐีนั่งร้องไห้เลยะน้ําตาไหลปิติเกิดไม่ใช่ไม่ใช่น้ําตาร้อนนะน้ําตาเย็นนะร้องไห้เลยอบอกโอ้โหไม่เคยปากทำมาลึกซึอย่างนี้เศีเลยว่าไงแต่จริงก็คือว่าพระาศาสดาเห็นอัตยาริยท่านบุญเป็นทานบารมีพระาศาสดาก็เลยสอนเรื่องทานเป็นส่วนใหญ่เนะก็เข้ามาหาศีลอย่างนี้เป็นต้นนะเนะ น, นี่เราเริ่มเห็นบุญของอนาถาหรือยงัง